บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมรมัสการัประภูมิพระพา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 คำสั่งสอนของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นสว่างข้าโตภกวตาธรรมโมเป็นธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้ารัสดีแล้วสันนิทิโกอันภูปฏิบัติผู้ได้บรรลุกพึงเห็นเองอากาลิโก ไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัตติโกควรเรียกให้มาดูโอปะนะยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้เพิ่งรู้เฉพาะตนได้ยกพระธรรมคุณทั้งหมดนี้ เป็นหัวข้อแสดงธรรมกถามาโดยลำดับจนถึงข้อที่หกและก็เดกกล่าวแล้วว่าธรรมะทุกข้อทั้งบททุกข้อทุกบทย่อมประกอบด้วยรัธรรมคุณทั้งบทนี้ทั้งสิ้นฉะนั้น การที่ยกเอาข้อใดข้อหนึ่งขึ้นแสดงสำหรับประธรรมคุณบทใดบทหนึ่งจึงเป็นเพียงยกขึ้นสาธกเท่านั้นและก็ได้แสดงอิงหลักสติปัฏฐานทั้งสี่คือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนา และธรรมานุปัสสนาตั้งสติกำหนดตามดูกายเวทนาจิตธรรมและในข้อธรรมก็แสดงไปโดยลำดับข้อในสติปัฏฐานจนถึงโพธชคงและก็ได้แสดงแล้วว่าโพธชคงนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดง ร่วมกับธรรมะหมวดอื่นดังเช่นในโพธิปักกิยธรรมและในมหาสติปัฏฐานสูตรเองซึงตัดแสดงไว้ในหมวดธรรมานุปัสสนาก็ทรงแสดงตั้งตนเลยข้อที่ว่าด้วยนิวอณข้อที่ว่าด้วยขันหา พ่อที่ว่าดูอาจัตนาหกและจึงถึงโพธชงเจ็ดอีกอย่างหนึ่งรัตแสดงโดยเอกเทศคือเฉพาะหมวดโพธชงเท่านั้นและก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่าเป็นหลักปฏิบัติในการเจริญกรรมฐานทุกอย่างแม่สมถกรรมฐานก็ปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐาน ลำหลักของโพชฌง์ทั้งเจ็ดนี้และก็ได้แสดงยกมาเป็นติทัศนะตัวอย่างในหมวดพรโมวิหารธรรมจึงได้แสดงมาแล้วในข้อเมตตาการปฏิบัติเจริญเมตตาหรือทำเมตตาแม่สมถกรรมฐาน ปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานดัมหลักของโพชฌง์ทั้งเจ็ดนี้และก็ได้แสดงยกมาเป็นติทัศนตัวอย่างในหมวดพรหมวิหารธรรมจึงได้แสดงมาแล้วในข้อเมตตาการปฏิบัติเจริญเมตตาหรือทำเมตตา ให้มังเกิดขึ้นก็ปฏิบัติตามหลักของโพชงทั้งเจ็ดในวันนี้จะแสดงต่อในข้อกรุณาซึ่งปฏิบัติตามหลักโพชงเจ็ดเช่นเดียวกันกรุณานั่นพระอาจารย์ให้เป็นคำ่ายไว้เช่นว่าความสงสาร คิดจะช่วยให้พ้นทุกเป็นข้อปฏิบัติที่ใช้ในเมื่อต้องการอบรมจิตให้มีความสงสารปรารถนาให้ผู้ที่ประสบความทุกข์พ้นจากความทุกข์ที่ประสบอยู่นั่น และใช้ในเมื่อประสบภูที่ประสบความทุกข์ก็คิดช่วยให้พ้นทุกข์และเมื่อช่วยได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ช่วยแต่เมื่อช่วยไม่ได้ก็คิดแผ่จิตออกไปตั้งปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์กรุณาดังที่กล่าวมานี่แสดงว่า เป็นเครื่องดับวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนการกระทำเบียดเบียนต่างๆที่จะให้บุคคลหรือสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนและอีกอย่างหนึ่งแสดงว่าในการทำ คือปฏิบัติอบรมกรุณาให้บังเกิดขึ้นในจิตใจนั้นก็อาจจะเกิดโทมนัดคือความเสียใจในเพราะความทุกข์ร้อนของผู้อื่นได้คิดถึงความทุกข์ร้อนของผู้อื่นได้เห็นความทุกข์ร้อนของผู้อื่น เพราะว่าการปฏิบัติในกรุณานี้ก็ดีความโทมนัสเสียใจที่บังเกิดขึ้นก็ดีย่อมมีที่ตั้งคล้ายคลึงกันคือประนบถึงความทุกข์ร้อนของผู้อื่น เช่นเดียวกันเิ็นปรารภถึงความที่ผู้อื่นต้องหมดสิ้นจากสิ่งทั้งหลายที่รวมเข้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะและธรรมะคือเรื่องราวที่น่ารักใครปรารถนาพอใจบางคนได้มาแล้วก็สิ้นไป บางคนก็ไม่สามารถจะได้จึงทําให้เขาต้องทุกร้อนเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติอบรมกรุณาให้บังเกิดขึ้นก็คิดถึงความทุกร้อนของเขาดัางนี้โทมนัสที่บังเกิดขึ้นก็ประรบถึงความทุกร้อนของเขาดัางนี้และโดยเฉพาะ เมื่อบุคคลซึ่งเป็นที่รักต้องประสบความทุกข์ร้อนก็จะมีจะบังเกิดความโทมนัสเสียใจเพราะฉะนั้นการุณากับโทมนัสจึงมีที่ตั้งแห่งความบังเกิดขึ้นเป็นอย่างเดียวกันฉะนั้นในการปฏิบัติทำการุณาให้บังเกิดขึ้น ซึ่งปรารบถึงความทุกข์ร้อนของผู้อื่นทำใจให้เกิดความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์หรือว่าปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ <c oughs> ดังที่กล่าวมาถ้าสัตว์บุคคลที่คิดถึงนั้นๆเป็นที่รักก็อาจจะเกิดโทมานัดขึ้นด้วยหรือว่า เมื่อทราบถึงความทุกข์ร้อนของบุคคลซึ่งเป็นที่รักก็เกิดโทมนัตขึ้นมาเสียก่อนกรุณาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในกรุณานั่นนอกจากที่จะเพื่อดับวิหิงสาความคิดเบ็ดเบียนด้วยการเบ็ดเบียนดึงดังกล่าวก็ต้องระวังไม่ให้เกิดโทมนัตขึ้นด้วย แน่นโดยเฉพาะเมื่อทราบถึงความทุกข์เกิดร้อนของคนซึ่งเป็นที่รักโทมนัตก็อาจเข้ามาก่อนฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงสมควรที่จะกำหนดให้รู้จิตของตนตว่าโทมนัตที่มังเกิดขึ้นนี้ไม่เป็นประโยชน์เขาต้องเป็นทุกข์ตนเองก็ต้องเป็นทุกข์ตามเขาไปด้วยแล้วก็ช่วยอะไรกันไม่ได้ ฉะนันว่าติดความทุกข์กันเหมือนยังติดเชื้อโรคกันนอกต่างก็ช่วยกันไม่ได้สมควรที่จะมาคิดช่วยดีกว่าช่วยให้เขาพ้นทุกข์นั้นเท่าที่สามารถจะทําได้ในทางต่างๆแต่เมื่อช่วยไม่ได้แล้วก็เป็นอันว่าไม่ได้ตัวอย่างที่ช่วยไม่ได้นั้นมีอยู่เป็นอันมาก ว่าถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ซึ่งตรัสแสดงไว้ว่าภัยที่พ่อแม่ญาติถึงเป็นที่รักลูกก็ช่วยกันไม่ได้ก็คือแก่เจ็บตายเป็นอมาตาพุทธิกภัย เป็นภัยที่แพ้ที่พอ่อแม่ที่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้เพราะว่าแกเจ็บตายนั่นเป็นสภาวะทุกข์ทุกข์ซึ่งมีอยู่ตามสภาพของร่างกายชีวิตแต่ว่าภัยอย่างอื่นนั่นเช่นว่าอักคีภัยโจรภัยเป็นต้นก็อาจช่วยกันได้บ้าง ช่วยกันไม่ได้บ้างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้แม้ตัวอย่างอื่นก็เป็นต้นว่าผู้ที่ทำความผิดถูกเจ้าหน้าที่จับได้ถูกศาลตัดสินลงโทษจึนต้องถูกจองจำพอแม่ญาติมิตรทั้งหลายก็อาจที่จะขนขวายช่วยในทางที่พึงทำ เกณฑ์าขอพระรจ้าทานอภัยโทษแต่ว่าได้ทำอย่างเต็มที่แล้วไม่สาเร็จโดวยวิธีที่ผิดจะยุยงให้ผู้ที่ต้องโทษนั้นแหกคุกหนีหรือแย่งตัวหนีดังนี้เป็นต้น้ววาเป็นกิจที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เป็นการช่วยในทางที่ผิดการที่ช่วยนั้นยังต้องเป็นข้อที่เพิ่งช่วยได้ในทางที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแก่เจ็บตายแล้วรูธเจ้าก็ตรัดว่าพ่อแม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติทำกรุณา จึงต้องมีวิธีปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้สรุปเข้ามาก็คือว่าคายกรุณานี้เองเป็นเครื่องดับโทมนัตด้วยและเป็นเครื่องดับวิหิงสาด้วยพระอาจารย์ได้แสดงไว้ว่าโทมนัตนั้นเป็นศัตรูที่ใกล้ของกรุณา ต้องมีที่ตัง้งเป็นนันเดียวกันส่วนวิหิงสานั้นเป็นศัตรูที่ไกลและเมื่อในปฏิบัติกรุณาให้บังเกิดขึ้นโดยที่ดับวิหิงสาได้ด้วยดับโทมนัตได้ด้วยก็เป็นการปฏิบัติ ทำกรุณาที่บริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นในข้อเมตตาที่แสดงไปนั้นดยดดเช่นเดียวกันซึ่งได้แสดงไปแล้วว่าเป็นเครื่องดับพยาบาทและเป็นเครื่องดับสิเนหาราคะสำหรับเมตตานั้นกับสิเนหาราคะ ก็มีที่ตั้งเป็นอันเดียวกันคือว่าสัตว์บุคคลทั้งหลายซึ่งมปนที่ตั้งของเมตตานั้นก็คือสัตว์บุคคลที่ได้มีจิตใจมุ่งให้เขาเป็นสุขมีความสุขความเจริญ มีความสวัสดีก็เรียกว่ามีสุภะคือความดีงามเป็นที่ตั้งจินิหาราคะก็เป็นเดียวกันย่อมเกิดขึ้นในสัตบุคคลซึ่งมีความดีงามเป็นที่ตั้งเห็นยึดถือว่าดีงามก็เกิดจินิหาราคะ และเมื่อจิตใจเห็นดีงามก็เกิดเมตตาซึ่งเป็นที่ตั้งของเมตตาเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาจึงต้องทำใจให้เห็นดีงามในบุนบคคลซึ่งแผ่เมตตาไปคือสงบความเคลียด เมตตาจึงจะมาเกิดขึ้นแทนถ้าความเกลียดหรือพยาบาทยังตั้งอยู่เมตตาก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่วันในการที่เริ่มปฏิบัตินั้นจิตยังไม่อ่อนโยนพอก็ต้องพยายามพิจารณาไปในทางที่จะดับโทศพยาบาทดับความเกลียด บางทีก็แผ่ไปดือด้อๆถึงเกลียดก็แผ่ไปละก็แผ่ไปให้เขาที่เกลียดนั้นเป็นสุขก็ได้ผลเหมือนกันก็จะทำให้ความเกลียดจางลงไปจางลงไปจนสงบก็แปลว่าเห็นผู้นั้นว่าดีงามหรือเทียบกับบุคคลที่ดีงามได้ เมื่อจิตสงบโทสะพยาบาทเมตตาก็ตั้งขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันนั่นราคะสิเนหาก็อาจตั้งขึ้นได้เหมือนกันอาจจะราคะสิเนหาออกหน้าไปเลยหรือเมตตาออกหน้าแต่มีราคะสิเิหาตามไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้น ในการทำเมตตาจึงต้องระวังราคาสิเนหะบางทีเมื่อเห็นสัตว์บุคคลนั่นนี่ว่าดีงามหรือสวยงามราคาสิเนหาก็บังเกิดขึ้นนำหน้าเมตตายังไม่มาราคาสิเนหามาก่อนเมื่อเป็นดังนี้ผู้ปฏิบัติธรรม ก็ให้ทำความรู้สึกในจิตของตนและก็ตั้งเมตตาขึ้นมาแทนคือขอให้เขาเป็นสุขโดยทีละเรือดับราคะสิเนหานล่ก็ดับโทสะพยาบาทหรือกันโทสะพยาบาทไม่ให้มันเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงได้แสดงว่าราคะสิเนหานั้นเป็น สูที่ใกล้ของเมตตาต้องมีที่ตั้งเป็นอันเดียวกันส่วนโทสะพยาบาทนั้นเป็นสูที่ไกลแล้วเมื่อปฏิบัติเมตตาให้ถูกต้องละได้ทั้งสองอย่างทั้งโทสะพยาบาัตและทางราคะสีลหาก็เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์เรื่องเมตตาเนี่เป็นกล่าวเป็นการที่มากล่าวซ้ําเข้าเพื่อให้คู่กับ กรุณาตามที่แสดงมานี่ก็จะเบิงเห็นได้ว่าในการปฏิบัติทำกรุณาให้มังเกิดขึ้นหรือทั้งเมตตาทั้งกรุณาดังที่กล่าวมาก็จะต้องเริ่มด้วยสติสมโพธชงองค์คือความรู้คือสติสติที่ตั้งกำหนดตั้งกำหนดสัตว์บุคคล ที่จะแผ่กรุณาให้หรือ ท, ที่จะอบรมกรุณาให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าจะต้องมีสัตว์ บ, บุคคลเป็นที่ตั้งจะต้องกำหนดถึงคนนั้นคนนี้โดยเจาะจงหรือกำหนดถึงโดยไม่เจาะจงเช่นดังที่มีแสดงว่า ก, กำหนดโดยเจะจงก็จึงกำหนดว่าสตรีทั้งปวงบุรุษทั้งปวงอริยะบุคคลทั้งปวงบุคคลที่ไม่ใช่อริยะทั้งปวงเทพทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์ที่ตกต่ำทั้งปวงคือพวกตกอบัยภูมิพวกอวายวะภูมิกำเนิด หรือว่าจำเพาะเจาะจงเข้าไปอีกว่าสัตว์บุคคลนั้นนี้ดังนี้ก็เป็นการที่ตั้งสติกําหนดถึงโดยเจาะจงโดยไม่เจาะจงก็คือสัตว์ทั้งปวงปราณทั้งปวงคือสัตว์ที่มีชีวิตหายใจทั้งปวงภูตะคือสัตว์ที่เป็นมาแล้ว เกิดแล้วทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้ที่มีเนื่องหรืออัตภาพทั้งปวงทุกกำเนิดประเภทชนิดดังที่เรียกสันสันวสันพษสัตที่ทั่ว ถ, ถึงก็คือไม่มีประมาทรือทั้งหมดสำหรับข้อกรุณานี้ก็คือว่าจงพ้นจากความทุกข์ที่ประสบ อยู่ที่บังเกิดขึ้นอยู่ดังนี้เป็นสติสัมโพชฌงค์ที่ใช้ในการปฏิบัติอบรมกรุณาในที่นี้แสดงข้อกรุณาก็ยกข้อกรุณาขึ้นมาแต่อันที่จริงนั้นก็ทุกข้อและก็ต้องคอยมีธรรมวิจัย จำเลือกเลือกเป็นธรรมที่บังเกิดขึ้นในการปฏิบัติอบรมกรุณานี้เมื่อมีมีหิงสาบังเกิดขึ้นจิตยังผูกกรดใครต่อใครอยู่ตัวคิดเบียดเบียนก็นให้รู้ว่าเป็นอกุศลมีโทษเป็นของเลวเป็น ธรรมะสิเทเิียบดยสีดำหรือว่าเกิดโทมานัสขึ้นก็ให้รู้ว่าเป็นของที่ไม่ถูกต้องเราไม่ควรจะไปเกิดโทมานัสไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในเมื่อกรุณาบังเกิด ข, ขึ้นก็ให้รู้ว่าการุณาบาังเกิดขึ้น คือเป็นความคิดช่วยให้พลนทุกข์ปรารถนาให้พลนทุกข์อย่างบริสุทธิ์ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโยนิโสมนสิการททำไ่ในใจโดยแยบคายคือพิจารณาจับเหตุจับผลให้ถูกต้องดังนี้เป็นธรรมวิจัยซึ่งต้องมีอยเป็นประจำและเมื่อวิจัยออกไปได้วนนิถูกนี่ผิดก็เพียนละสิ่งที่ผิด ไม่ให้มันเกิดขึ้นครอบงําใจให้ดับไปเพียนปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ถูกคือการนาที่ถูกต้องก็เป็นวิทยาสัมโพชงโดยจะต้องมีธรรมวิทยาสัมโพชงเป็นผู้ที่เลือกเฟ้นก่อนใจของตัวเองเนี่ยเลือกเฟ้นแล้วใจของตัวเองเนี่แหละรู้จึงสืบมาจากสติ ดังที่กล่าวมาฉะนั้นเมื่อเป็นสติสัมโพชฌงธรทมวิจยะสัมโพชฌงค์วิญญาสัมโพชฌงค์งขึ้นดังนี้ในการปฏิบัติอบรมกรุณาก็ย่อมจะบังเกิดปิติสัมโพชฌงค์คือความอิ่มใจปัจธิสัมโพชฌงค์ความสงบกายสงบใจมีสุขและจะได้สมาธิ เป็นสมาธิสัมโพชฌง์ได้อุเบกขาของใจเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เป็นอั น, อนต้องมีธรรมวิจยตสัมโพชฌงเป็นผู้ที่เลือกเฟ้นก่อนใจของตัวเองเนี่ยเลือกเฟ้นแล้วใจของตัวเองเนี่แหละรู้จึงสืบมาจากสติดังที่กล่าวมาดังนั้น เมื่อเป็นสติสัมโพชฌงท ร, รมวิทยาสัมโพชฌงวิทยาสัมโพชฌงขึ้นดังนี้ในการปฏิบัติอบรมกรุณาก็ย่อมจะบังเกิดปิติสัมโพชฌงคือความกิ่มใจปัจสตสิสัโพชฌงความสงบกายสงบใจมีสุขและจะได้สมาธิเป็นสมาธิสัมโพชฌงได้อุเบกขา ของใจเป็นองเบปหากสรมาพจน์ชงก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติธรรมข้อกรุณานี้ให้บังเกิดขึ้นโดยถูกต้องอย่างสมบูรณ์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจวังส่วนและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป